ซีดีธรรมบัญญายชุดฟังธรรมตามการปีพุทธศกร2545โดยพระพรมคุณาพรปออประยุโตวัดยา น, นเวศสสกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่หนึ่ง การศึกษากับเศรษฐกิจฝ่ายไหนจะรับใช้ฝ่ายไหนบรรยายเมื่อวันที่10มกราคมพุทธศักราช2545ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษมีพระบรมราชองค์การโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ศาสตราจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดังนี้ 1. พระธรรมปิดกลงเล็บปออประยุตโตเป็นศาสตราจารย์พิเศษสาขาวิชาพระพุทธศาสนา 2. นายจำนงทองประเสริฐเป็นศาสตราจารย์พิเศษสาขาวิชาปรัชญาทั้งนี้ตั้งแต่วันที่30สิงหาคมพศ2544เป็นต้นไป ประกาศณวันที่24กันยายนพศ2544ผู้รับสนองพระบรมราชโองการนายสุวิทย์คุณกิติรองนายกรัฐมนตรีขอเจริญพอรอันธณภาพในนามของประสงค์ทั้งหมดในที่ประชุมนี้ซึ่งขออ้างทางหมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยด้วย โดยมีท่านจจคุณอธิการบดีเป็นผู้นำพร้อมด้วยกรรมการสภาหมหาวิทยาลัยกรรมการสภาวิชาการและท่านผู้บริหารคณาจารย์นิสิตและก็พร้อมทั้งญาติโยมสาธุชนโดยเฉพาะคือในนามพระสงค์ทั้งหมดขอเจริญพร อ, อนุโมทนาท่าน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ได้สละเวลามาในที่ประชุมนี้โดยท่านได้เมตตาทำหน้าที่ในานามของฝ่ายรัฐคือราชการพระ่านประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่ได้แต่งตั้ง ศา ส, สตราจารย์พิเศษรัฐบาลที่ได้ปฏิบัติงานนี้ก็เป็นการรับสนองพระบรมราชโองการในการที่สมเด็จบรมบบพิตรพระราชสมภารเจ้าทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจซึ่งในกรณีนี้ก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ กับการพระศาสนาหรือระหว่างอาณาจักรกับพุทธจักรในฐานะที่ทรงเป็นองค์เอกอักษรพุทธศาสนูประัมพกและทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนี้อนุวัตตามโบราณราชประเพณีในฐานะที่ทรงเป็นพุทธมามกะ ซึ่งเป็นการแสดงออกซึ่งพระราชธรรมมีทศพิตรราชธรรมเป็นต้นพร้อมด้วยธรรมะข้ออื่นอื่นอันแสดงไว้ตามหลักการปกครองในพระพุทธศาสนาเดียวก็คือหลักที่เรียกว่าจักร ด, ดิวัตสิบสองประการในหมู่ชาวพุทธนั้นย่อม ทราบกันดีว่าอาณาจักรกับพุทธจักรนั้นมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันโดยตลอดมาโดยเฉพาะในประเทศไทยของเรานี้ซึ่งได้ถือว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติมาเป็นเวลาหลายศตรวรรษธรรมะที่ว่าด้วยการปกครองซึ่งองค์พระมหากษัตริย์จะทรงอุปถัมภ์ คณะสงฆ์และการพศศาสนานั้นมีทั้งธรรมะสำหรับการปกครองแบบที่เราเรียกว่าเอกราชคือมีพระราชาองค์เดียวและการปกครองที่เรียกว่าคณะราชคือมีพระราชาเป็นคณะนิวาถึงการปกครองสมัยพุทธกาลซึ่ง มีประเทศต่างๆหรือแค ว, ว้นต่างๆแยกได้เป็นสองแบบแบบที่เรียกว่าคณะราชการปกครองเป็นคณะนั้นซึ่งฝรั่งไปแปลเป็นริพ u บ l ิกหรือสาธารณรัฐเช่นอย่างแคว้นวัชีแคว้นมัลละเป็นต้นพระพุทธเจ้าได้จัดแสดงหลักธรรมไว้เรียกว่าวัชีอปริหานิยธรรมเจดประการ ในหมวดธรรมสำหรับการปกครองแบบนี้ก็มีความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับพระศาสนาซึ่งองค์พ ร, ร, ระมหากษรตสัตย์จะทระงคุ้มครองสมณพราหมณ์ปรากฏอยู่ในข้อสุดท้ายคือข้อที่7ที่ว่ากษรตสัตย์จะทรจะงจัดสรร อารักขาความคุ้มครองป้องกันโดยชอบธรรมในพระอรหันต์ทั้งหลายคำว่าพระอรหันต์ในที่นี้ก็คือพระสงฆ์ที่เป็นแบบอย่างคือกล่าวเอาท่านผู้เป็นอุด ม, มบุคคลสูงสุดนี้เป็นหลักก็หมายถึงว่าให้ความคุ้มครองดูแล ปกป้องพระสงฆ์ทั้งหลายที่เป็นหลักใจหลักทางธรรมะของประชาชนของสังคมโดยตั้งใจว่าพระอรหันต์ที่ยังไม่มาก็ขอให้มาที่มาแล้วก็ขอให้อยู่ภาสุขอันนี้เป็นหลักธรรมสำหรับการปกครองแบบคณะราษฎรเช่นแคว้นวัดฉีดังกล่าวแล้วซึ่งก็ มีเรื่องความสัมพันธ์รอ่งรัฐกับพระศาสนานี่เป็นข้อสำคัญคุ้มท้ายส่วนการปกรครองอีกแบบหนึ่งซึ่งกำลังรุ่งเรืองมากในจมบูทวีตสมัยนั้นคือระบบเอกราชมีราชาผู้เดียวพระพุทธเจ้าก็ตรัสหลักธรรมไว้การปกรครองระบบเอกราชที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือระบบที่เราเรียกว่าพระเจ้าจากกักรพรรด พระองค์ก็จัดจัสจักรวัดิวัติไว้ซึ่งเรานับเป็น12บประการในจากกวัตดีวัติ12ประการนี้ข้อสุดท้ายก็ลงด้วยความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับศาส น, นาเช่นเดียวกันแต่ก็มีตั้งแต่ข้อสที่ว่าองค์พระเจ้าจักรพรรดิทรงจัดการอารักขาคุ้มครองป้องกันอันชอบธรรม แก่สมณะพรามทั้งหลายเช่นเดียวกับที่จัดความคุ้มครองป้องกันแก่หมู่ชนเหล่าอื่นในแว่นแขวนแต่ว่าสำคัญที่ข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายนั้นตรัสว่าพระเจ้าจากักรพรรดิเสด็จไปทรงพบปะเยี่ยมเยือน สมณะพราหมณ์ผู้เว้นจากความประมาทโมเมาผู้ตั้งอยู่ในขันติโสรัจะผู้ฝึกตนให้สงบโดยเข้าไปปรึกษาสอบถามว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรเป็นสิ่งมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรเสพไม่ควรเสพ การใดที่กระทำแล้วจะเป็นไปเพื่อความทุกข์เพื่อสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์การใดที่กระทำแล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขตลอดการนานเมื่อได้ทราบว่าอันใดเป็นโทษเป็นสิ่งที่คนงดเว้นก็ละเสียอันใดที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุข ย่างยืนนานก็บำเพ็ญสิ่งนั้นให้สมบูรณ์อันนี้คือหลักที่เรียกว่าจั ก, กรวรรดิวัตจะเห็นว่าหลักธรรมในพุทธศาสนานั้นสอนเตรียมไว้พร้อมทั้งระบบคณะราชและเอกระราชนั้นก็เป็นการปก ค, ครองที่คล้ายกับระบบที่เรียกว่าประชาธิปไตยบางทีเราเรียกกันว่าระบบสามคีธรรม คือใช้สภาที่ประชุมเป็นที่ตัดสินกรณีต่างๆความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับอาณาจักรนี้ถ้าเดินเนินไปได้ดีก็จะทำให้บ้านเมืองอยู่ร่มเย็นเป็นสุขการที่มีการแต่งตั้งผู้ที่ทำงานทางด้านการศึกษาทางด้าน เกี่ยวกับธรรมะเกี่ยวกับการให้ความรู้ปัญญาแก่สังคมแก่ประชาชนนี้ก็จัดอยู่ในการเป็นพระราชกรณียกิจในข้อนี้นั่นเองซึ่งฝ่ายรัฐก็ได้รับสนองพร้อมทางก็คือได้ส่งได้สืบทอดประเพณีของราชธรรมนี้หมายความว่าเมื่อเรามีกาปรปกครองแบบประชาธิปไตย รัฐบาลก็เป็นผู้สืบทอดธรรมะสำหรับการปกครองนี้จากองค์พระมหากษัตย์มาทำหน้าที่สืบต่อไปในสมัยก่อนนั้นการศึกษากับเรื่องของพระศาสนา น, นั้นไม่ได้แยกกันเพราะฉะนั้นที่ว่ารัฐหรือพระราชาพระเจ้าจากักรพรรด ทรงอุปถัมภ์คุ้มครองกองกันแก่พระสงฆ์สมณพราหมณ์พระรา์ทั้งหลายนั้นก็หมายถึงผู้ทาหน้าทีท่ทางการศึกษาด้วยสมัยก่อนนั้นการแบ่งแยกทางด้านวิชาการนั้นคงไม่เหมือนสมัยปัจจุบันเพราะสมัยก่อนนี้พวกวิชาชีพต่างๆนั้นเรียกกันว่าสิบ ป, ปะ มกสิปะนี้ถ้ามองดูสมัยนั้นก็ยุคเดียวกับสมัยกรีกซึ่งกลายเป็นว่าเขาจัดเป็นวิชาชั้นต่ำเป็นเรียกว่าวิชาการชั้นขอประธานภัยชั้นทาตเรียกว่า s u r v i v วอาร์สน่ส่วนพวกวิชาทางด้านใช้สติปัญญาสมองก็จึงจะเป็นวิชาพวกเสรีชนเป็น l i b e r ร l a อา s เน ในวิชาประเภทนี้ก็ปกติในชมพูทวีปก็อยู่กับสมณพราหมณ์นั้นการที่อุปถัมภ์บำรุงทางด้านพระศาสนานั้นก็หมายถึงการอุปถัมภ์บำรุงทางด้านการศึกษาไปดรืออ่งในตัวถือว่าการศึกษากับเรื่องของธรรมะเป็นเรื่องเดียวกันต้องอยู่ด้วยกัน เ, เพราะว่าลำพังเฉพาะเรื่องศิล ป, ปะวิทยาวิชาชีพนั้นหาได้เป็นเครื่อง มือที่แท้จริงของการปก ค, ครองที่จะทําให้เกิดความร่มเย็นเปสุขแต่เป็นเรื่องของด้านเศรษฐกิ จ, ธธจซึ่งก็มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งแต่ว่าตัวกําหนดวิถีทางของสังคมที่แท้การบริหารสังคมนั้นจะต้องอาศัยสติปัญญาที่ประกอบด้วยธรรมะดาเนินไปพร้อมกันนั้นว่าพณีการปก ค, ครองที่การศึกษากับพระศาสนาหรือธรรมะมาด้วยกันนี้จึงยั่งยืนตลอดมา เป็นเรื่องของประเพณีมาแต่ดั้งเดิมการที่ทางรัฐได้ปฏิบัติภารกิจในวันนี้ซึ่งเป็นการรับสนองพระบรมราชโองการก็ถือว่าได้อุปถัมภ์บำรุงพระบุทธศาสนาตามโบราณราชประเพณีนี้อัตภาพก็ขออนุโมทนาด้วยและ เมื่อพูดแคบเข้ามาคือกล่าวถึงรัฐบาลนั่นก็เป็นการกล่าวถึงรัฐทั้งหมดที่ทำการในนามของประเทศชาติแคบเข้ามาก็คือสถาบันสถาบันผู้เป็นเจ้าของเรื่องในวันนี้ก็คือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยมีกรรมการสภาหมหาวิทยาลัยซึ่งวันนี้ท่านเจ้าคุณอธิการบ ด, ดีได้เป็นผู้นามา ทางมหาจุลานั้นที่ได้มาแสดงความเอื้อเฟื้อในวันนี้ก็ผมก็ขอขอบว่าคุณเป็นการที่มีน้ำใจทั้งต่อผมในฐานะเป็นบุคคลเป็นพระองค์หนึ่งนั่นก็ขอบคุณในสถานหนึ่งและอีกสถานหนึ่งก็คือในฐานะที่เป็นสิทธิ์เก่าของมหาจุลาลูงกราราชวิยาลัยด้วย ก็เป็นการขอบคุณในสถานะของสิทธิเก่าต่อทางมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยเมื่อเป็นเรื่องของศิทธิเก่าก็เลยขอโอกาสพูดคุยแบบเป็นการเองวันนี้ที่ท่านรัฐมนตรีได้กรุณาอ่านประกาศสำนักนา ย, ยกรัฐมนตรีนั้น ก็ได้กล่าวถึงการแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษสองท่านก็เลยขอากาดเล่าย้อนไปเมื่อตอนก่อนเพงนี้เองหลวงหลุงที่วัดนี้ท่านอยู่ๆก็ถือเอาหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งมาให้อ่านอ่านดูก็เป็นข่าวเรื่องตั้งศาสตราจารย์พิเศษนี้ในนั้นบอกว่าตั้งพระธรรมปิฎกเป็นศาสตราจารย์พิเศษคนแรก อันนี้ก็เลยเป็นจุดที่จะนำมาขอกล่าวในทีน่นี้ที่กล่าวในที่นี้คือแก้ข่าวนะแาะว่าความจริงนั้นท่านแรกที่แท้ก็คือท่านอาจารย์จำนงทองประเสริฐนะทำไมจึงว่ายอย่างนี้นะคือที่ประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรี เรือที่หนังสือที่นับไปลงนี้ก็เป็นเรื่องของความดีความงามของพุทธบริษัทหมายความว่าในพุทธบริษัทเหล่านี้เราก็ให้ความสําคัญแก่ภิกษุบริษัทให้ความสําคัญแก่พระสงฆ์นั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อมีเรื่องราวมาคู่กันด้วยกันก็ให้พระสงฆ์เป็นอันดับแรกแต่ว่าโดยรัตัญยุตาหรือรัตัญยุภาวะแล้วก็ ต้องถือว่าท่านอาจารย์จำนงท่องประเสริฐเป็นลำดับที่หนึ่งเพราะว่าท่านเป็นครูอาจารย์ก็เป็นครูอาจารย์ของกระผมเองด้วยนั่นก็เป็นเหตุการณ์เมื่อนานมาแล้วก็ตั้งสี่ห้าสิบปีแล้วผมได้เข้ามาหาจุลาลงกรราชวิทยาลัย ก็เป็นในเล็กๆองค์หนึ่งตอนนั้นท่านอาจารย์จํานงทอประเสริฐก็เป็นท่านจา้าคุณกวีวรยา น, นยท่านเป็นผู้บริหารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยา ล, ลัยก็มีเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษาถึงเล่าบ่อยๆก็ขอกัดนำมาเล่าซ้ำอีกสมัยก่อนนี้เวลาจะเข้าชั้นเรียน ก่อนเข้าชั้นเรียนก็จะมีการประชุมกันที่ลานอโศกที่หน้าหอสมุดกลางท่านคณะผู้บริหารมหาจุฬาครูอาจารย์ก็จะผัดกันมาจัดลำดับกันมามาพูดให้อวานแกนิสิตนักเรียนที่ลานอโศกหน้าหอสมุดกลางนั้นท่านอาจารย์จำนงทอบเสด็ก็เป็น ศูนย์กลางหรือเป็นแกนของการให้อวาตนี้ก็ผมเองก็ได้ฟังโอวาทของท่านเป็นประจำและก็คํากล่าวของท่านนี้มีความหมายสําคัญมากเพราะว่าเป็นเครื่องปลุกเตือนจิตใจให้พระของเราเนนของเราเนี่ยได้เห็นความสําคัญของการทํากิจพระศาสนาเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน ให้เห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาแล้วก็ให้สํานึกในหน้าที่ที่จะออกไปทําประโยชน์แก่ประชาชนในการนําธรรมะไปเผยแพร่ทําให้เกิดอย่างที่เขาเรียกกันว่าไฟเนี่ยความรู้สึกความสํานึกที่จะเล่าเรียนศึกษาพระพุทธศาสนาให้จริงจังเกิดความทราบซึ้งเห็นคุณค่าของธรรมะ ของคำสอนของพระพุทธเจ้าและปรารถนามีใจไฝ่ที่จะนำเอาหลักธรรมคำสอนนี้ไปเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนต่อไปคิดว่าการศึกษานี้มีภารกิจอันหนึ่งที่ควรจะต้องทำให้ได้ก็คือการที่จะต้องปลุกจิตสำนึกของนักเรียนของนักศึกษานิสิต ท, ทั้งหลายเวลานี้ บ่นกันมากว่านิสิตนักเรียนไม่ค่อยมีจิตสำนึกในเรื่องสังคมหรือจิตสำนึกต่อาศาสนาอย่างเรื่องในวงการพระสงฆ์เองความรักพระศาสนาก็ไม่ค่อยมีนั้นแรงใจที่จะทากิจเพื่อประโยชน์ส่วนรวมก็อ่อนแอแมในฝ่ายของบ้านเมืองก็เช่นเดียวกันจะต้องมีจิตสำนึกต่อสังคมอย่างจริงจัง มีกรจึงซึ่งจะทำให้เกิดกำลังและความอาจหารกล้าหารที่จะสร้างสรรค์ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติต่ตอไปมิฉะนั้นก็อาจจะถูกสิ่งล่อเร้ายุยยวนชักจูงออกไปให้เขวลงไปจมอยู่ในการเสพ บ, บริโภคในเรื่องที่เราเรียกกันว่าบริโภคนิยมตลอดจนออายมุ่งต่างๆได้ง่าย สภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ที่มีความหมกมุ่นมัวเมามีอบายยมุขมากจนต้องจัดระเบียบสังคมกันเนี้ยก็คงจะเป็นเพราะเหตุนี้การศึกษาเราไม่สามารถที่จะปลุกจิตสำนึกในทางสังคมให้เกิดขึ้นได้ในการที่จิตสำนึกในทางสังคมหรือจิตสำนึกต่อส่วนรวมจิตสำนึกต่อพระศาสนานี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อได้เห็นคุณค่า ของสิ่งที่ได้เล่าเรียนศึกษาว่าสิ่งที่เล่าเรียนศึกษาอย่างพระเนนก็คือพระธรรมวิ น, นัยนี้เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงเป็นสิ่งที่จะนำไปใช้แก้ปัญหาได้ทำประโยชน์สุขนั้นให้สาเร็จด้อย่างแท้จริงมีความเชื่อมัน่นเมื่อเห็นคุณค่าก็จะมีความเชื่อมัน่นและก็จะหนุนจิตสานึกนั้นให้ออกมาเป็นผลในทางปฏิบัติได้ ล, ลึกลงไปก่อนที่จะเห็นคุณค่า ก็คือการที่ต้องเห็นความจริงเมื่อเล่าเรียนอย่างพระพุทธศาสนาหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าเล่าเรียนพระธรรมวินยัยก็ต้องเห็นความจริงของธรรมะนั้นถ้าไม่เห็นความจริงก็ไม่เห็นความหมายว่าจะมีคุณค่าเป็นประโยชน์ได้อย่างไรแรงใจจิตสานึกต่างๆก็ไม่ออกผลเป็นการปฏิบัติเพราะนั้นเบื้องต้นทีเดียวก็ต้องมองเห็นความจริง เราเรียนแล้วมีความทราบซึ้งว่าพระพุทธศาสนาสอนหลักที่เป็นความจริงความจริงนี้ก็ไม่ใช่หมายถึงความจริงเพราะท่านสอนหลักพระพุทธศาสนาก็เป็นที่ทราบกันดีว่าพระพุทธเ จ, จ้าตรัสว่าสถาคตทั้งหลายจะอุบัติขึ้นหรือไม่ก็ตามความจริงมันก็มีอยู่เป็นธรรมดาข้ามวันอย่างนั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นหลักเรื่องไตรลักษณ์หรือปฏิจจสมุปบาทก็ตาม ต่ถาคตได้มาค้นพบความจริงนี้แล้วจึงได้นำมาเปิดเผยแสดงชี้แจงทำให้เข้าใจง่ายว่าดังนี้ดังนี้นหมายความว่าท่านผู้สั่งสอนแม้แต่องค์สมเด็จพระบรมศ า, ศาสดาก็ทรงเป็นสื่อชี้ให้เราดูไปที่ตัวความจริงนั้นปวาหมายอยู่ที่ความจริงไม่ใช่ติดอยู่กับตัวผู้แสดงหรือสอน การสอนที่โมจะบอกว่าคนนั้นพูดว่าอย่างนี้นักปราชญ์คนนี้ว่าอย่างนั้นคงไม่ไปไหนนักปราชญ์เหล่านั้นแน่นอนมีความสําคัญอย่างยิ่งแต่ก็มีความสําคัญในฐานะเป็นสื่อที่จะช่วยให้เราเนี่ยมองไปที่ความจริงเมื่อได้เห็นตัวความจริงที่แท้ซึ่งมีอยู่ตามธรรมดาในธรรมชาติเมื่อนั้นจึงจะสําเร็จประโยชน์ของการศึษาที่แท้จริงและภารกิจของท่านผู้แสดงก็ถึงจุดหมาย เวลานี้เป็นที่น่าสังเกตเช่นเดียวกันว่าบางทีก็มาติดอยู่กับเพียงว่าใครพูดว่าอย่างไงนักราชคนนั้นว่าอย่างนั้นอย่างนี้ก็จบอยู่ที่นั่นเองถ้าหากว่าพูดอย่างเซนเขาก็คล้ายๆบอกว่ามีมือชี้ไปที่พระจันทร์แต่ทอนแทนที่จะมองไปที่พระจันทร์ก็มองไปที่นิ้วที่ชี้ก็เลยไม่ถึงพระจันทร์สักที แต่บางทีเราก็อาจจะไม่ได้มองที่นิ้วชี้ด้วยซ้ำมองไปที่มือหรือมองไปที่ตัวคนชี้เลยไม่เห็นแม้กระทั่งนิ้วที่ชี้นี่ถ้าใกล้เข้าไปหน่อยก็มองไปที่นิ้วชี้ต่อจากนิ้วชี้ถ้ามองให้แน่ให้ตรงก็คือมองไปที่พัสจันอันนี้เรื่องของศิลปะวิทยาการต่ตางแน่นอนว่ามีความมุ่งหมายเพื่อให้ถึงความจริงแท้ถ้าตามหลักพระอศาสนาก็คือความจริงตามธรรมชาติ หรือความจริงที่มีอยู่ตามธรรมดาเมื่นเรามองเห็นความจริงนี้แล้วเราก็จะมองเห็นอ๋อสิ่งทงหลาหลเป็นไปอย่างนี้อย่างนี้จะต้องแก้ไขยอย่างนั้นงั้ น, นเมื่อทำอย่างนี้แล้วจะเกิดผลอย่างนั้นความจริงมันก็จะทำให้เกิดความหมายและก็มองเห็นคุณค่าแล้วจิตสานึกต่อส่วนรวมก็จะออกผล ท้งนี้เมื่อทําได้สําเร็จก็จะสอดคล้องกับจุดหมายของพระพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธเราโดยเฉพาะพระสงฆ์นั้นได้พูดถึงกันอยู่เสมอโดยเฉพาะก็คือถือว่าเป็นจุดหมายหรือจะเรียกเป็นอุดมการณ์ของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เราอ้างกันบ่อยๆว่าเจริญธิฆเเวจาริกังผู้ชนะอตายะผู้ชนะสุขายะโลกาณุ ก, กรรมปาย ะ, ะเธอทั้งหลายจงจาริกไป เพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเื่อความสุขแก่ระู้ชนเพื่อเห็นแก่ประโยชน์สุขของชาวโลกในหลงท้ายก็คือโลกานุกรรมปลายะแท้จริงอันนี้ก็ไม่ใช่เพียงเป็นพุทธพจน์สําหรับผู้ประกาศเผยแผพร่ศาสนาเท่านั้นอันนี้เรามักจะอ้างจุดนี้และก็การที่วาจาริกนั้นเดี๋ยวนี้ก็ อาจจะไม่ใช่จาริกไปด้วยตัวแล้วเพราะเป็นยุคของสื่อสารข้อมูลข่าวสารข้อมูลก็ไปได้ด้วยไอีซึ่งเราสามารถเผยแพร่ไปได้กว้างขวางแม้ไม่ต้องเดินทางไปไม่ต้องเดินไม่ต้องขึ้นเครื่องบินไม่ต้องไปรถเรือแต่ว่าการจาริกทั้งหมดนี้จะจาริกไปเองหรือจาริกไปโดย IT ีก็ตามเนี่ยก็ยังไม่ใช่ ยุหมายขั้นสมบูรณ์เพราะพระพุทธเจ้าตรัสไว้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะตรัสเป็นภารกิจของพระสงฆ์เท่านั้นแต่ว่าตรัสว่าตัวาศาสนานี้เองาศาสนานี้จะดำรงอยู่ ย, ยั่งยืนนานก็เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้คนเพื่อเห็นแก่ประโยชน์นชนสุขของชาวโลกอย่างเช่นเมื่อจะกล่าวถึงการสังขีนาก็สังขีนาระธรรมนูญในเพื่อให้าศาสนานี้ ย, ยั่งยืนอยู่เพื่อประโยชน์สุขของชาวโลก แม้แต่องค์พระพุทธเจ้าเองที่ดำลงพระชนอยู่ภาษาริบุตรปลารบเรื่องนี้ตอนที่พระอานุ์ได้กล่าวขึ้นมาถามว่าถ้าหากว่าองค์พระสมมาสัพพะทธเจ้ามีอันเป็นอะไรไปเนี่ยท่านจะว่าอย่างไรพระสารีบุตรก็ได้กล่าวตอบว่าก็ต้องรู้ตามความเป็นจริงแต่ว่า ท่านก็จะเห็นว่าถ้าหากว่าองค์มหาบุรุษจะดำรงอยู่ยั่งยืนนานก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ผู้ชนและเพื่อเห็นแก่เพื่อประโยชน์สุขแก่ชาวโลกก็หมายความว่าพระพุทธศาสนาทั้งหมดองค์พระบรมศาสนาการทํางานพระศาสนาของเราทั้งหมดเนี่ยมีวัตถุประสงค์ที่แท้จริงก็อยู่ที่นี่เองก็คือการบมาเพลประโยชน์สุขแก่ชาวโลกอันนี้เป็นจุดหมายของพระพุทธศาสนา เป็นจุดหมายในระดับที่เป้าหมายขั้นปลายซึ่งเป็นจุดหมายเพื่อส่วนรวมนี้จะมีจุดหมายที่จะมาสนองรับเป็นฐานให้กับจุดหมายนี้อีกขั้นหนึ่งก็คือจุดหมายขั้นบุคคลจุดหมายของบุคคล น, นั้นแต่ละชีวิตแต่ละบุคคลก็คือนิพพาน จุดหมายแห่งนิพพานของบุคลนี้ก็จะไปสัมพันธ์กับจุดหมายการเบญเพทประโยชน์สุขเพื่อชาวโลกเพราะผู้ใดไม่นิพพ า, านผู้นั้นไม่สามารถจ ะ, ระเรญเพทประโยชน์สุขแก่ชาวโลกได้เต็มที่เป็นธรรมดาว่ามนุษย์มันยังมีกิเลสก็ยังมีอะไรต้องทําเพื่อตนอย่างน้อยก็คือการที่จะมีความสุขเพื่อตนแต่ท่านผู้ใดนิพพานก็คือดับหมดแล้ว ไม่มีอะไรต้องทำเพื่อตัวอีกเต็มอิ่มมีความสุขเป็นคุณสมบัติประจาตัวแม้แต่ความสุขก็เป็นคุณสมบัติประจาตัวแล้วไม่ต้องหาความสุขไม่ต้องทำอะไรเพื่อตัวเองอีกบุคคลที่นิพพานดับได้แม้กระทั่งเรื่องตัวตนเพราะไม่มีตัวตนทุงยึดถือมีความสุขเต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้วท่านผู้เชนนี้แหละจึงจะเป็นผู้พร้อมที่จะบาเพ็ญประโยชน์สุขพ่อชาวโลกในเต็มที่ คตินี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ว่าจุดหมายของพระพุทธศาสนาที่เป็นสองขั้นคือจุดหมายเพื่อตัวบุคคลกับจุดหมายเพื่อส่วนรวมเนี่ยรับกันอยู่และสอดคล้องหนุนซึ่งกันและ ก, กันเราจะต้องเน้นย้ำเึงหลักการนี้เมื่อพระพุทธเจ้าส่งภาษาวอกไปประกาศศ า, าสนาครั้งแรกน้วนแต่เป็นพระอรหันต์ทั้งสิน้นพระองค์ก็ตรัสว่าทุกท่านที่ อยู่ในที่นี้ทั้งพระองค์เองด้วยล้วนแต่เป็นผู้พ้นแล้วจากบ่วงทั้งที่เป็นของทิพย์และของมนุษย์อันนี้ก็คือว่านิพพานหมดแล้วไม่มีตัวตนที่จะไปติดข้องอะไรทั้งสิน้นเป็นอิสระโดยสมบูรณ์อันั้นก็ต่อจากนี้ก็เป็นอิสระเสรีแล้วก็ไปเพื่อชาวโลกได้เต็มที่นันการศึกษาเนี่ยจึงต้องทําได้ทั้งสองขั้นคือการศึกษาที่ จะทําให้คนนิพพานแล้วเขาจะได้ทําเพื่อประโยชน์สุขกับชาวโลกได้โดยสมบูรณ์ทั้งสองอย่างนี้รับกันถ้าการศึกษาไม่สามารถทําให้สําเร็จวัตถุประสงค์สองอย่างนี้โดยเฉพาะขั้นแรกเนี่ยกิเลสไม่น้อยลงเนี่ยมันจะทําประโยชน์สุขแก่สังคมแก่ส่วนรวมแก่โลกเป็นเป็ น, ปนไปได้ยากเวลานี้ก็เป็นเรื่องที่เรามาถึงระยะของวิกฤตการต่างๆวิกฤตการทางเศรษฐกิจวิกฤตการทางสังคม นลวิกฤตการณ์ขนาดนี้ก็เป็นถึงระดับโลกตอนที่เกิดสงครามที่อัฟกานิสถานประเทศสหรัฐอเมริกาก็บอกว่านี่ตอนนี้เกิดสงครามชนิดใหม่แล้ว <Yeah. S 1> เป็น New ไ r ลออบบอรสงครามชนิดใหม่นี้ก็มาอยู่ในยุคที่เพิ่งเกิด n ิว Economy เศรษฐกิจแบบใหม่ <Yeah. S 1> ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องเตรียมรับสถานการณ์ ในการที่ว่าถ้าเรามีจุดมุ่งหมายที่จะบาเพ็ญประโยชน์สุขกับชาวโลกทำให้โลกนี้มีสันติสุขก็จะต้องแก้ไขสถานการณ์เหล่านี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เพียงตื่นเต้นแล้วก็ผ่านไปสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่คุกคามต่อสันติสุขความอยู่ร่มเย็นของชาวโลกนั่นเองนี่คอนมีมาดีหรือเปล่าแล้วก็นิวอมาอันนี้ไม่ดีแน่นอนแต่ทั้งสองอย่างนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไร ทั้งหมดเวลานี้เราเข้ามาอยู่ในภาวะที่โลกนี้มีความซับซ้อนสับสนจึงกระทั่งว่ามองปัญหาอะไรต่างๆได้ยากคลําปมไม่ถูกไม่รู้จะแก้ยังไงจุดไหนแต่ที่จริงมันก็ไม่ไปไหนหรอกที่ว่าซับซ้อนสับสนมันก็อยู่แค่เดิมนั่นเองว่าไปในแง่หนึ่งก็คือการที่มนุษย์เหล่านี้แปลกแยกจากตัวเอง มองง่ายๆก็คือมนุษย์เราคนเรานี่แหละเป็นตัวก่อปัญหาและก็เป็นผู้ที่จะแก้ปัญหานีนมนุษย์ทีก่ก่อปัญหาขึ้นมาเนี่ยก็ก่อปัญหาตั้งแต่ที่ตัวเองนั่นเองต่อการปัญหาที่ตัวเองก่อนแล้วก็เลยก่อปัญหาออกไปข้างนอกตัวเองก็ไม่รู้จักตัวเองมนุษย์นั้นทว่ากันไปแล้วพื้นฐานก็มีง่ายๆมนุษย์แต่ละคนนี้มีสองสถานะพร้อมกัน หรือมองได้สองด้านด้านหนึ่งคนแต่ละคนนี้เป็นชีวิตชีวิตนั้นเป็นธรรมชาติด้านนี้เป็นด้านที่โยงเราเข้ากับธรรมชาติแน่นอนว่าโดยพื้นฐานแล้วเราทุกคนเป็นชีวิตชีวิตของเรานี่เป็นธรรมชาติเกิดมาตามธรรมชาติเป็นไปตามกฎธรรมชาติเกิดจากองค์ประกอบ ต, ต่างๆของธรรมชาติที่เป็นรูปธรรมและนานมธรรมมาประชุมกันอันนี้คือตัวคนด้านหนึ่ง อีกด้านหนึ่งมนุษย์เหล่านี้เป็นบุคคลเขเป็นบุคคลก็กลายเป็นผู้อยู่ในสังคมเป็นส่วนร่วมในสังคมก้าวออกไปมีความสัมพันธ์กับคนโน้นคนนี้แต่แล้วก็มีการอยู่ร่วมกันได้ดีก็ไม่ได้ดีแต่โดยมากมันจะไม่ค่อยได้ดีเพราะว่าแต่ละคนก็จะต้องดิ้นรนเพื่อตัวอยู่รอดเป็นตน้นตอนนี้ก็จะเกิดการแย่งชิงการทะเลาะวิวาทกันดันั้นปัญหาเรื่องบุคคลนี้มีมาก ออกไปสู่สังคมเวลานี้ที่เป็นปัญหาอย่างยิ่งก็คือพื้นฐานที่มนุษย์เนี่ยแปลกแยกจากตัวเองด้านชีวิตมีแต่ด้านบุคคลอย่างเดียวเนะชื่อมตัวเองเข้ากับความจริงพื้นฐานที่เป็นธรรมชาติไม่ถูกตั้งแต่กินอาหารเป็นต้นไปตั้งแต่กินอาหารก็กินไม่ถูกแหละกินเพื่อสนองความต้องการของบุคคลแทนที่จะต้องกินเพื่อสนองความต้องการของชีวิต มื่มนุษย์แปลกแยกจากตัวเองโยงไม่ถึงแม้แต่ชีวิตของเองตัวเองที่เป็นธรรมชาติแน่นอนมันก็ต้องเกิดปัญหาเวลานี้ส่วนที่เป็นบุคคลที่อยู่ในสังคมนั้นเป็นส่วนที่เด่นและในกระบวนการทางสังคมนั้นกระบวนการสําคัญทั้งหมดที่เป็นไปอยู่ทางสังคมที่เด่นในปัจจุบันนั้นส่วนที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมามากก็คือด้านเศรษกฐกิจ กระบวนการทางสังคมด้านเศรษฐกิจนี้กำลังขึ้นมาใหญ่เป็นอันดับหนึ่งและมีอิทธิพลครอบงำระบบอื่นๆในทางสังคมแต่แค่นั้นมันยังไม่หยุดเวลานี้เรื่องของเศรษฐกิจนี้กำลังจะมีอำนาจแผ่อิทธิพลเข้ามาครอบงำเรื่องของด้านชีวิตมนุษย์ด้วยด้านชีวิตแท้ๆที่เป็นธรรมชาติซึ่งเราจะเห็นได้ว่า แม้แต่การศึกษาเองการศึกษานี้ที่เป็นก้าก้ากึง่งนๆะึ่งนักการศึกษาตอนตกบางคนก็จัดเข้าเป็นสังคมศาสตร์บางคนก็ไม่จัดไม่รู้จะจัดเข้าอันไหนดีบางทีก็จัดแยกเป็นอิสระเนี่ยคือจัดไม่ถูกไม่แล้วไม่ลงกันเพราะว่าเวลานี้เราก็จัดศาสตร์ต่างๆในโลกเป็นสามหมวดเป็นมนุษยศาสตร์เป็นสังคมศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเสร็จแล้วการศึกษานี้ไม่รู้จะอยู่ในบดไหนดีเนะี่ย บางคนก็ไปอยู่ในสังคมศาสตร์นี้การศึกษานั้นแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องของชีวิตเป็นเรื่องพื้นฐานาว่าในทางศาสนาก็คือคนเราเนี่ยต้องมีชีวิตอยู่เมื่อชีวิตมีอยู่เป็นไปเราก็ดำเนินชีวิตก้าวไปก้าวไปก็คือจะเป็นอยู่ดำเนินไป และเราก็ต้องเจอสถานการณ์ใหม่ประสบการณ์ใหม่ๆซึ่งเราจะต้องปรับตัวจะต้องเรียนรู้จะต้องพัฒนาชีวิตนั้นการที่จะพยายามดำรงชีวิตอยู่ได้ดีแม้แต่ให้เป็นไปได้ดีๆในสถานการณ์นั้นๆหรือประสบการณ์นั้นๆเนี่ยก็คือการศึกษานั่นเองเพราะนั้นเรามีชีวิตอยู่เราก็มีการศึกษาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนานี้จึงให้ความสาคัญว่าชีวิตกับการศึกษาเป็นอันเดียวกัน แต่หมายถึงว่าเป็นการเป็นชีวิตที่ดีแต่เป็นชีวิ ต, ท, ต, วตที่ไม่พยายามปรับตัวไม่พยายามเรียนรู้ไม่พยายามที่จะดําเนินไปให้บรรลุจุดหมายที่สูงขึ้นไปได้เนี่ยมันก็สักแต่ว่ามีลมหายใจถ้าเรียกความเป็นอยู่ของมนุษย์ที่สักแต่ว่ามีลมหายใจว่าผ่านคนผ่านก็คือคนที่เป็นอยู่สักแต่ว่ามีเลมหายใจถ้าไม่เป็นอยู่แบบผ่านไม่เป็นอยู่สักแต่ว่ามีเพียงลมหายใจก็ ต้องมีการศึกษาการศึกษาก็คือการที่พยายามอยู่ให้ดีพยายามที่จะรับประสบการณ์ให้ได้ผลมีการเรียนรู้จะอยู่ไงให้รอดจะปฏิบัติต่อสถานการณ์นั้นอย่างไรจรึงจะได้ผลดีเนี่ยนี่คือการศึกษาตลอดเวลาลการศึกษาเป็นเรื่องชีวิตเวลานี้เราอาจจะมองข้ามไปเรามองการศึกษาในความหมายต่างๆซึ่งขณะนี้ว่า น่าเป็นห่วงว่าเศรษฐกิจที่มีอำนาจครอบงําเด่นในสังคมศาสตร์เนี่ยในด้านบุคคลที่อยู่ในสังคมกำลังจะก้าวเข้ามามีทิพผลครอบงํามแม้แต่การศึกษาเช่นว่าเรามีการมองมนุษย์เป็นทรัพยากรเอาเป็นทรัพยากรมนุษย์นี่ก็เป็นการที่เริ่มที่เศรษฐกิจจะเอาการศึกษาเข้าไปนี่ย เป็นเครื่องมือแหละก็หมายความว่าการศึกษานี้ต้องมาสนองรับใช้เศรษฐกิจนะมาพัฒนาคนเพื่อเดินฐานมเป็นทรัพยากรมนุษย์มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจหรือกว้างไปก็พัฒนาสังคมอย่างนี้เป็นตน้นหรือแม้แต่ว่ากว้างออกไปก็คือการไปเกี่ยวข้องกับธรรมชาติต่างๆซึ่งเศรษฐกิจนี้เป็นตัวนำํำก็มีกระบวนการอุตสาหกรรมมาเป็นเครื่องมือเป็นทางให้ เือจุดหมายสนองจุดหมายทางเศรษฐกิจอันนี้ก็ทําให้เกิดปัญหาก็คือการพัฒนาที่มายังยืดอย่างที่เราประสบกันอยู่ปัจจุบันเพราะว่าเศรษฐกิจนี้ก้าวไปรุกลานแม้แต่ธรรมชาติโดยทัศนะของการพิชิตธรรมชาติเอาชนะธรรมชาติเอาธรรมชาติมาเป็นวัตถุ ด, ดิบเพื่อจะได้มาเข้าโรงงานอุตสาหกรรมมาทําผลิตภัณฑ์เพื่อเสพ บ, บริโภคสนองความต้องการของมนุษย์ในทางเศรษฐกิจ ไปไปมามาธรรมชาติรอบตัวก็อยู่ไม่ได้นก็เกิดการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนที่ผ่านมาเนี้ยก็หมายความว่าเศรษฐกิจกำลังเป็นตัวเด่นเป็นตัวครอบงาไปหมดก็กำลังเข้ามาครอบงมการศึกษานนี้การศึกษาจะสามารถดารงตนเป็นอิสระได้หรือไม่โดยที่แท้จริงแล้วถ้าว่าตามหลักพระบุทธศาสนาการศึกษานั้น เราถือเศรษฐกิจเป็นปัจจัยเกื้อหนุนเกื้อหนุนการศึกษาอย่างไรก็คือเอาเศรษฐกิจมาเป็นปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาชีวิตก็คนจะอยู่ได้จะมีอยู่ชีวิตอยู่ดีจะมีการศึกษาพัฒนาได้งอกงามก็ต้องอาศัยเศรษฐกิจด้วยแต่ว่ามองเศรษฐกิจเป็นปัจจัยเกื้อหนุนแต่เวลานี้เศรษฐกิจจะมาเอาการศึกษาไปเป็นเครื่องมือก็จะไปเป็นผลิต เพื่อาทรัพยากรของสังคมเป็นต้นก็ต้องเป็นเรื่องที่ว่าจะต้องมาคิดกันให้มากว่าจะทำอย่างไรการศึกษาจะเป็นใหญ่รูอเศรษฐกิจจะเป็นใหญ่ถ้าหากว่าเราถือชีวิตเป็นใหญ่โดยที่บุคคลแต่ละคนเนี่ยคนที่เป็นมนุษย์เนี่ยมีสองด้านมีชีวิตกับบุคคลชีวิตกับบุคคลชีวิตอยู่กับธรรมชาติบุคคลอยู่กับสังคม บุคคลในสังคมเนี่ยไม่มีชีวิตยอยู่ได้ไหมยแน่นอนและชีวิตเป็นฐานของบุคคลอีกทีหนึง่งแล้วบุคคลจะอยู่ดีโดยไม่คำนึงถึงชีวิตที่เป็นไปได้หรือไม่เวลานี้เรากำลังให้ความสำคัญเอาใจใส่เรื่องบุคคลมากจนกระทั่งลืมเรื่องความเป็นชีวิตเมื่อลืมความเป็นชีวิตก็จะลืมคุณค่าของความเป็นมนุษย์ด้วยแล้วต่อจากนั้นอะไรจต่อะไรก็จะวิปราชคาดเคลื่อน าหากว่าเราให้เศรษฐกิจเป็นใหญ่ซึ่งมีความหมายต่อไปว่าธุรกิจเป็นใหญ่ความสำเร็จต่างๆก็มุ่งสนองความสาเร็จทางเศรษฐกิจนีจุดหมายของพุทธศาสนาที่ว่าจะให้การศึกษาเพื่อให้คนนิพพานและเพื่อให้แต่ละคนนี้ไปประเพณประโยชน์สุขแ ก, ก่ชาวโลกนั้นคงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าแนวคิดทางเศรษฐกิจนั้น ก็จะเป็นเรื่องของการสนองความต้องการเขาบุคคลนะไม่ใช่สนองความต้องการของชีวิตเื่อสนองความต้องการเขาบุคคลบุคคลแต่ละคนก็จะเอาเมื่อเข้าไปอยู่ร่วมกันก็จะแย่งชิงนั้นการศึกษาที่มีเศรษฐกิจเป็นใหญ่ต้องการที่จะสร้างผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆให้มากแน่นอนว่าจะต้องเอาเพื่อตัวพวกตัวก็จะต้องมีการแย่งชิงกันจะให้โลกนี้มีสันติสุ ข, ขเป็นไ ป, นปนไม่ได้ ก็จะต้องให้การศึกษานี้เป็นไปเพื่อเอาเศรษฐกิจมาเป็นปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาชีวิตหรือเกื้อหนุนการศึกษาให้ได้แล้วอันนี้คนที่ได้มีการศึกษาที่แท้แล้วนี้ก็จะมีความพร้อมที่จะเป็นประโยชน์สุกแก่ชาวโลกต่อไปซึ่งไปเ ป, เป็นไปไต่ซึ่งจะเป็นไปนตามจุดมุ่งหมายของพระบทธศาสนาที่สอดคล้องกันที่ให้บุคคลนิพพาน และก็สามารถไปบำเพ็ญประโยชน์สุกแก่ชาวโลกได้อย่างแท้จริงวันนี้ก็เป็นวันที่ได้ปฏิบัติภารกิจอันหนึ่งเพื่อสนองวัตถุประสงค์ทางการศึกษาซึ่งในวงที่จำเพาะก็คือความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับพระศาสนาและก็หมายถึงรัฐกับการศึกษาด้วยในกรณีนี้การศึกษากับการพระศาสนาหรือเรื่องธรรมะ ก, การพัฒนาชีวิตได้มาโยงไปเรื่องเดียวกันโดยทางสัญลักษณ์หรือรูปแบบก็ขอให้ความสัมพันธ์โดยสัญลักษณ์รูปแบบนี้มีความหมายโยงลงไปถึงตัวเนื้อแท้ที่เป็นแก่นสารด้วยถ้ า, าลงไปถึงขั้นนั้นได้อย่างแท้จริงก็จะเป็นไปตามหลักทำคําสอนของพระพุทธเจ้าแม้แต่ความเป็นศาสตราจารย์พิเศษนี้เอง ก็ย่มไปสื่อได้ทั้งสองอย่างคือจะเป็นสื่อระบบการศึกษาเพื่อเป็นเครื่องมือของเศรษฐกิจก็ได้หรือจะเป็นสื่อของการศึกษาที่เอาเศรษฐกิจเป็นปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาชีวิตก็ได้แต่เราก็คงจะหวังว่าอย่างไรก็ตามก็ขอให้กิจกรรมที่ได้ทำกันเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งที่จะมาช่วยเกื้อหนุนให้เดินหน้าไปในวิถีทางคาสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นหลักธรรมที่สอนความจริงที่มีอยู่ตามธรรมดาของธรรมชาตินั้นว่าให้เราสามารถเอารูปแบบต่างๆระบบการต่างๆสิ่งที่มนุษย์จัดตั้งวางบัญญัติขึ้นมานี้เป็นสื่อเป็นเครื่องมือที่จะนำเข้าถึงสาระที่แท้จรงิงโดยเฉพาะก็คือการศึกษาในความหมายที่เราเอาปัจจัยด้านอื่นๆซึ่งไม่ใช่เฉพาะเศรษฐกิจเท่านั้นปัจจัยสังคมอื่นๆด้วยมาเกื้อหนุนในการพัฒนาชีวิตของมนุษย์ เพื่มนุษย์นั้นมีชีวิตที่เจริญงอก ง, งามขึ้นมีความสุขมากขึ้นมีกิเลสน้อยลงมีทุกน้อยลงแล้วก็สามารถที่จะไปบำเพ็ญกิจเพื่อประโยชน์สุขชาวโลกว้างขวางออกไปไม่ใช่ว่าอยู่ไปก็ยิ่งต้องเพิ่มภูมิกิเลสเพิ่มภูมิทุกข์แล้วก็เลยต้องเอามาให้กระตนมากยิ่งขึ้นก็เลยเบียดเบียนกันใหญ่นั่นก็หวังว่ากิจกรรมในวันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะปฏิบัติให้ เกิดผลตามความมุ่งหมายที่แท้จริงของการศึกษาดังที่ได้กล่าวมานี้ก็ขออนุโมทนาทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธาการในานามของฝ่ายรัฐที่รับสนองพระบรมราชโองการเป็นการปฏิบัติตาโบราณราชประเพณีดังกล่าวแล้วซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับศาสนาหรืออาณาจักรและพุทธจักร พร้อมกันนี้ก็เป็นความมีน้ำใจปรารถนาดีของทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในการปฏิบัติภารกิจเพื่อสนองตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยเองด้วยซึ่งเป็นสถาบันทั้งทางการศึกษาและสถาบันพระศาสนาซึ่งจะได้ประเพณจเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนแก่ชาวโลกทั้งหมดตามอุดมคติของชาวพุทธ ซึ่งอนุวัตตามคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็ขอให้ความมุ่งหมายความปรารถนาดีนี้ได้จงสมฤทธิผลโดยลำดับและยิ่ ง, ย, งยิ่งขึ้นไปจนถึงจุดหมายโดยสมบูรณ์ซึ่งจะเป็นไปได้ก็โดยอาศัยเลี้ยวแรงกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญาของทุกท่านร่วมกัน ขออนุโมทนายครั้งหนึ่งและขออารัธนาคุณพระราจนทรัไตรอวยัยให้พอนพภิบาลรักษาท่านรัฐมนตรีช่วยอาการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมทั้งสาธุชนทุกท่านผู้มีความปรารถนาดีหวังดีโดยเฉพาะก็เริ่มที่ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีกรรมการสภาหมหาวิทยาลัยกรรมการสภาวิชาการคณะผู้บริหารคณาจารย์ นิสิตนักศึกษานักเรียนทั้งหลายขอทุกท่านจงเจริญด้วยจตุรพิตรพรชัยมีความก้าวหน้างอกงามรุ่งเรืองในการดำเนินชีวิตและการประกอบกิจหน้าที่การงานให้ก้าวหน้าไปบรรลุจุดหมายสมดังที่ตั้งไว้จงมีสุขภาพกายสุขภาพใจสมบูรณ์เพื่อสามารถบำเพ็ญประโยชน์สุขให้สำเร็จทาให้สังคมประเทศชาติและตลอดจนโลกนี้ทั้งหมดร่มเย็นเป็นสุข ตลอดการทุกเมือ่อเธอ